บุกทูสามสิบห้าทริเด็กควินที่สนามบินฉันจลากลุกฮาเวนดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะมิชัตุสเรซิร์ฟิลลุกอนอลอเธน นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะชุอูรกตัฟลขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรีค่ค่ะเซนฟูมันอาปุฟเฟนสตรันซิดล็อกกอนมิเปตัสดิฉันขอยืนยันการจองค่ะมิชาตุสคอนฟิร์มมิมียันเรเซอร์บอนดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ ด, ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะ ไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะแหน Restas alni nuru nuliberasidloco เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ Kyamni alterijos เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ Kyamni tiaestos รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ ibl guidelines? tare THE KNOWS ONE kolej นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ ที่ฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะฮิยอนดาพัการอยมีพวสคุนฟอร์ติยี่สิบกิโลกรมัมดูเด็กกิโลกรมัมอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะฮิยอนชูนูร์ดูเด็กกิโลกรมัม o รุณาไปที่